ธรรมบทแปลเรื่องที่115เรื่องสันตติมหามาตภาคที่หเรื่องที่9ของวรที่ส0ทันทวัตรวันน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรสันตติมหามาตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอลังกโต เจปิสมัญจระยะเป็นต้นตอนสันตติมหามาตได้ครองราชสมบัติเจดวันความพิสดารว่าในการครั้งหนึ่งสันตติมหามาตนั้นปราบปรามปัจจันตะชนบทของพระเจ้าประเสิที่โกศลอันกำเริบให้สงบแล้วกลับมาต่อมาพระราชาทรงพอพระไทย ประธานราชสมบัติให้เจวันได้ประธานหญิงผู้ฉลาดในการฟอร้อนและการขับนางหนึ่งแก่เขาเขาเป็นผู้มืนเมาสุราสิ้นเจวันในวันที่7ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแล้วขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐไปสู่ท่าอาบน้ำเห็นพระสาสดากำลังเสด็จเข้าไปบินทบาทที่ระหว่างประตูอยู่บนคอช้างประเสริฐนั่นเอง สงกศีรษะถวายบังคมแล้วพระสัสดาทรงทาการแย้มพระอานนทุนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุให้ทรงกระทาการแย้มให้ปรากฏเมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการแย้มจึงตรัสว่าอานน์เธอจงดูสัน ต, ติมหามาิในวันนี้เองเขาทั้งประดับ ด้วยอาพรทุกอย่างเทียวมาสู่สำนักของเราจากบรรลุพระรหัสต์ในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบทสีแล้วนั่งบนอากาศชั่วเจ็ดลำตานจากปรินิพานมหาชนได้ฟังประดารัสของพระศาสดาผู้กำลังตรัสกับพระเถระอยู่ตอนคนสองพวก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 ฟังธรรมในสำนักของพระสมณโคดมนั้นแล้วจากปริณิพานในวันนี้พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมนั้นด้วยมุสาวาทพวกสัมมาทิฏฐิคิดกันว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพมากในวันนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ดูการเยื้องกลายของพระพุทธเจ้า และการเยืงกลายของสัน ต, ติมหามาดส่วนสัน ต, ติมหามาดเล่นน้ำตลอดวันที่ท่าอาบน้ำแล้วไปสู่อุทยานนั่งที่พื้นโรงดื่มตอนหญิงนักฟ้อนเป็นลมตายฝ่ายหญิงนั้นลงไปในถ้ำกลางที่เต้นรำเริ่มจะแสดงการฟ้อนและการขับ เมื่อนางแสดงการฟ้อนการขับอยู่ในวันนั้นลมมีพิษเพียงดังสัตตาเกิดขึ้นแล้วในภายในท้องได้ตัดเนื้อหัตถแล้วเพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึงเจ็ดวันเพื่อแสดงความอ่อนแอนแห่งสรีระในทันทีทันใดนั้นเองนางมีปากอ้าและตาเลือกได้กระทํากาละแล้ว ตอนโศกเพราะภรยาตายสันตติมหามาตกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงตรวจดูนางนั้นในขณะสักว่าคำอันชนทั้งหลายกล่าวว่าหญิงนั้นดับแล้วนายดังนี้ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำแล้วในขณะนั้นเองสุราที่เธอดื่มตลอดเจ็ดวัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้วประหนึ่งหยาดน้ำในกระเบื้องที่ร้อนฉะนั้นเธอคิดว่าคนอื่นเว้นพระตถาคตเสียจกไม่อาจเพื่อจะยังความโศกของเรานี้ให้ดับได้มีภลรกายแวดล้อมแล้วไปสู่สำนักของพระสัสดาในเวลาเยน็นถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความโศกเห็นพ่านนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มาแล้วก็ด้วยหมายว่าพระองค์จักอาจเพื่อจะดับความโศกของข้าพระองค์นั้นได้ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิดตอนพระศัสดาระงับความโศกของบุคคลได้ลำดับนั้น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 ปัชชาเตมาหูกินจนังมัดเชเจโนกเหต ส, สิอุปาสันโตจริ ส, สัตซีติกิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อนเธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันในถ้ำกลาง จากเป็นผู้สงบประงับเที่ยวไปในการจบพระคถาสัน ต, ติมหามาดบรรลุพระอารหันต์แล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตนทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังขาร น, นั้นแล้วจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงอนุญาตการบรินิพานแก่ข้าพระองค์เถิด พระศัสดาแม้ทรงทราบกรรมที่เธอทําแล้วก็ทรงกําหนดว่าพวกมิจฉาทิฏฐิประชุมกันเพื่อ ข, อข่มขีเราด้วยมุสาวตาตจกไม่ได้โอกาสพวกสัมมาทิฏฐิประชุมกันด้วยหมายว่าพวกเราจะดูการเยื้องกลายของพระพุทธเจ้าและการเยื้องกลายของสัน ต, ติมหามาดฟังกรรมที่สัน ต, ติมหามาดนี้ทําแล้ว จากทำความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลายดังนี้แล้วจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงบอกกรรมที่เธอทำแล้วแก่เรา mm. ก็เมื่อจะบอกจงอย่ายืนบนภาคพื้นบอกจงยืนบนอากาศชั่วเจ็ดลำตาลแล้วจึงบอกตอนแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในอากาศสัน ต, ติมหามาตนั้น ทูลรับว่าดีละพระเจ้าค่าดังนี้แล้วจึงถวายบังคมพระศัสดาแล้วขึ้นไปสู่อากาศชั่วลาตาหนึ่งลงมาถวายบังคมพระศัสดาอีกขึ้นไปนั่งโดยบัลลังบนอากาศเจ็ดชั่วลาตาลตามลำดับแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงสดับบุพกรรมของข้าพระองค์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 ไม่มีพวกท่านจงทำสาการะรัตนะทั้งสามเถิดตอนผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญกุศลพระราชาผู้ใหญ่ทรงพระนามว่าพันธุมะเป็นพระพุทธบิดาทรงสดับเสียงของข้าพระองค์นั้นรับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าพ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไรเมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้งสามชักชวนมหาชนในการบุญทั้งหลายจึงตรัสถามว่าเจ้านั่งบนอะไรเที่ยวไปเมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์เดินไปจึงตรัสว่าพ่อ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 ด้วยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชทานมาเฝ้าแล้วตรัสถามอีกว่าพ่อเจ้าเที่ยวทำอะไรเมื่อข้าพระองค์ถูนว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทำกรรมอย่างนั้นนั่นแลจึงตรัสว่าพ่อแม้ม้าก็ไม่สมควรเกียเจ้าเจ้าจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิด แล้วได้พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินทบสีแม้ในครั้งที่สามพระราชาทรงสะดับเสียงของข้าพระองค์แล้วรับสั่งให้หาตรัสถามว่าพ่อเจ้าเที่ยวทำอะไรเมื่อข้าพระองค์ถูนว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทำกรรมนั้นแลจึงตรัสว่าแน่พ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้าและพระราชทานโพคค่าเปน็นนันมากและเครื่องประดับใหญ่ทั้งได้พระราชทานช้างเชือกหนึ่งแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นประดับด้วยอาพรทุกอย่างนั่งบนคอช้างได้ทำกรรมของผู้เป่าร้องทำสิน 80, ้นแ0ดหมืนปีกลิ่นจันฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์นั้นกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปาก ตลอดการมีประมาณเท่านี้นี้เป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทาแล้วตอนการปรินิพานของสันติมหามาดสันติมหามาด น, ตตนั้นครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างนั้นแล้วนั่งบนอากาศเที่ยวเข้าเตโชธาต์ปรินิพานแล้วเปเลวไฟเกิดขึ้นในสเรระไม่เนื้อและโลหิตแล้ว ทาตทั้งหลายดุดดอกมะลิเหลืออยู่แล้วพระสัสดาทรงคลี่ผ้าขาวธาตทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวนั้นพระสัสดาทรงบรรจุธาตเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งด้วยทรงประสงค์ว่ามหาชนไหว้แล้วจกเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญตอนสัน ต, ติมหามา ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์พวกภิกษุสนทนาการในโรงธรรมว่าผู้มีอายุสันตติมหามาตบรบลุพระอรหันต์ในเวลาจบพระคาถาคาถาเดียวยังประดับประดาอยู่นั่นแหละนั่งบนอากาศปรินิพานแล้วการเรียกเธอว่าสมณะควรหรือหน่อแหลหรือเรียกเธอว่าพราหมณ์จึงจะควร พระสัสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าพวกข้าพระองค์นั่งประชุมกันด้วยคาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเรียกบุตรของเราแม้ว่าสมณะก็ควรเรียกว่าพราหม ก็ควรเหมือนกันดังนี้เมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอลังกโตเจปิสมัญจรรยะสั้นโตดันโตนิยโตบรหัมจารีสเปสุภูเตสุนิทายะดันดังโซบรามโนโซสมนโนสภิกขุติ แม้ถ้าบุคคลประดับแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วที่ยังทำมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาชญาในสัตว์ทุกจำพวกบุคคลนั้นเป็นพรามเป็นสมณนะเป็นภิกษุตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอลังกโต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 ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงเพราะเที่ยงในมรรคทั้งสชื่อว่าพระมจารีเพราะประพฤติประเสริฐชื่อว่าวางอาชญาในสัตว์ทุกจำพวกเพราะความเป็นผู้วางเสียซึ่งอาชญาทางกายเป็นต้นแล้วผู้นั้นคือผู้เห็นบาปนั้นอันบุคคลควรเรียกว่าพราหมณ์เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วก็ได้ ว่าสมณะเพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้วก็ได้ว่าภิกษุเพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำลายแล้วก็ได้โดยแท้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องสันตติมหาหมาจบ